อคณะสัตยาติโยมระบัดนี้มาพูดเรื่องงานของหลวงพ่อปิวบันหลวงพ่อทํําทาไมมางานหลวงพ่อผิวทำไมมาพูดถึงเรื่องหลวงตาพ่อมาเกี่ยวเรื่องกันแน่หลวงพ่อปิวเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยจะไม่ให้พูดเรื่องพ่อได้ยังไงใช่ไหมต้องพูดถึงถึงหลวงพ่อไม่เป็นไรพูดถึงไปแล้วก็เป็นมงคล อ, อแล้วก็วันนี้เป็นวันเ อ, อที่หลวงท่านอาจารย์ปิว ทำบุญอุทิศสวนกุศลให้โยมบรรดาของท่านโยมแม่ของท่านร้อยวันนี่ยังไงฮะเออครบร้อยวันแต่เมื่อวันมรณภาพหลวงพ่อก็ทราบข่าวแต่หลวงพ่อก็ติดธุระมาไม่ได้นะแต่คราวนี้หลวงพ่อก็ได้มาอย่างที่พวกเราที่ได้ยินว่าหลวงพ่อเ อ, อได้มานี่แหละต่างคนกับต่างยุ่งยากของใครเราแต่ที่ยังไงหลวงพ่อคิดว่าในคราวนี้ก็คงจะมาพบมาเจอ พ่อพี่พี่น้องๆ้ศรัทธาญาติโยมเนที่หลงพ่อที่ท่านอาจารย์ปิ๋วธรรมนี้ถูกตามหลักตามประเพณีตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพาดําเนินหลวงตาเนี่ยท่านจัดทําบุญเปิดโลกทาตวันที่30มสิบพุทธภาวนิวเปิดทาบุญเปิดโลกทาตก็คืออะไรก็คือท่านปารภถึงโยมแม่ของท่าน เมยมแม่ของท่านมรณภาพวันที่สามสิบพฤษภาหลวงตาก็เลยทําบุญลําลึกถึงพระคุณของโยมมารดาของท่านจากนั้นท่านก็ทําบุญพอหลวงตาในท่านเป็นผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทางหลายไม่มีประมาณหลวงตาก็เลยจัดทําบุญขึ้นมาจังหวะตัดเปิดโลกทาให้แก่สรรพสัตว์ท้งหลาย ไ, ไม่ว่าท่านผู้ใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจาก การทําบุญของท่านนะท่านก็พร้อมที่จะอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ทุกวิญญาณนะีว่าทําบุญเปิดโลกธาตุกาบ ม, มาโลกรูปประโลกรูปประโลกเจ้านะวันชั้นพรมที่ไหนไหนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ก็คือลําลึกถึงโยมมารดาในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นพรมของบุตร เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งมารดาบิดาเป็นบุคพาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตรที่ดาในเมื่ อ, อพระบิด า, ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้ า, เ, าเป็นทิศเบื้องหน้าจะเปรียบเทียบจะเหมือนกับอาทิตย์ตะวันออกอยางั้นะ เ, เราตื่นมาเราก็เห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาโอ้อันนี้เป็นวันใหม่นี้ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมา เราก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ของเราก่อนเรารุกเราเห็นหน้าพ่อหน้าแม่พ่อแม่ของเราก็สอนเลยลูกเอ้ยอันนั้นร้อนนะอันนี้ไฟอันนี้หนาวอันนี้ควรจะเรียบอันนั้นแม่อันนั้นพ่อพ่อแม่ปรสอนลูกของตนเองเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าพ่อแม่เป็นบุคพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเมื่อพ่อแม่ สอนบอกกล่าวให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักจักสิ่งควรไม่ควรควรจะเรียกพี่ป้านะอา อ, อ, อย่างไรควรจะทานอาหารอย่างไรขับถ่ายอย่างไรนุ่งผ้าผมอย่างไรพ่อแม่สอนหมดท่านจึงว่าถือว่าพ่อแม่เป็นบุตรพายการเป็นอาจารย์ของบุตรธิดาเนีนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอ ทำกิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาถ้าเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ให้เฉยนะท่านยังทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดวงวิญญาณของท่านไม่รู้ว่าไปสิงสถิตอยู่ณที่ใดอาจจะตกทุกข์ได้ย า, ยากอยู่ก็ได้พวกเราอยู่เบื้องหลัง เราก็ทําบุญุดทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของพ่อแม่ไปสตกอยู่ในสาถ า, านที่ใดถ้าหากว่าตกทุกข์จะได้ยากขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราแต่ถ้าว่ามเมือ่อมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ไอันนี้เมื่อเราทําบุญุดทิศส่วนกุศลให้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเคยบอกกล่าวยังองค์หลวงตา ท่านบอกว่าเมื่อขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าเราจะไปให้คนอื่นขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบทําคคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบศีลพบธรรมพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ควรจะไหวพระนั่งสมาธิภาวนาให้ทานรักษาศีล อย่าให้ขาดตกบกพร่องให้สร้างเอาอย่างเราเนี่ยหลวงตาบอกว่าเราเนี่ยเราเอาสร้างเอาพอแล้วอยากใครจะมาทำให้กับเรานะเมื่อเราตายไปแล้วกุศลาก็มาเห็นมากุศลาก็เราะหาเองพอแล้วไม่ต้องมาหาให้กับเราเนี่ยอันนี้หลวงตาท่านก็สั่งพวกเราท่านทั้งหลายกคงจะได้ยินเนอเมื่อหลวงตาพูดไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หนเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายในฐานะสิทธ์ย่านมสิทขององค์หลวงตาเออใาญ่เราเวลาตายไปแล้วอค่าตายไปแล้วเงินอยู่ที่นั่นนะให้ไปทำบุญนะให้เรานะให้ทักเอาทำบางสกุลให้เรานะให้สร้างโบสถ์สร้างวิหารให้เรานะ อ, อย่างเนี้ตามไม่จริงไม่น่าจะให้คนอื่นทำให้เราเรามีเท่าไหร่เราจะจะทำอะไรเราทำเอาเอง เ, อเมื่อทำเอาแล้วเอาแล้วนะ เราสร้างเอาแล้วเราตายไปบอกเล ย, ล, ล, เยลูกหลานเอ้ยลูกหลานเอ้ยไม่ต้องทํา บ, บุญให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายเนะปู่ย่าตา ย, ยายเนี่ยทําเอาแล้วล่ะพอแล้วแต่เงินอยู่ที่นั่นน่ะเมื่อพ่อแม่เมื่อเราตายแล้วก็เลี้ยงพี่เลียเ้ยงน้องอแล้วก็จะไปฆ่าจะตัดชีวิตนะจะไปหาซื้อเหล้าออมาเลี้ยงกันนะแล้วก็เอาก็ินชลีละของป่อของแม่ไปเผาไปฝังตัก เ, เงินอยู่ที่นั่น่ เอาแบงกันไม่ต้องทําบุญไหดอกไม่ต้องนักอกนักใจพ่อแม่ทําเอาเองแล้วข้าทําเอาเองแล้วล่ะชู้เจ้าไม่ต้องทําเดี๋ยวทํามันจะทะเลาะกันสั่งอย่างนั้นอีกคล า, ายกระว่าเชื่อมั่นในตนเองข้าทําเอาพอแล้วไม่ชูเจ้าไม่ต้องทําให้ข้าดอกถ้าชูเจ้าทําเดี๋ยวก็ผิดกันอีกทะเลาะกันอีกเพอเพอไปห า, าซื้อเหล่าชื่อ ายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาในงานศพของปู่ย่าตายายอีกเอผื่อๆน่าจะสร้างบุญสร้างกุศลกลับเพิ่มบาปให้กับผู้ตายไปอีกสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะคิดนะหลวงพ่อว่า เ, อาเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสมาัยตายแล้วไม่สูญนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านบอกแล้วบอกอีกว่าตายแล้วไม่สูญหลวงตาท่านบอกว่า ป่าช้าร่างกายนี่ยมีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้าใจของเราตายไม่เป็นแต่ร่างกายเนี่ตายแล้วไปเผาไปเผาไปฝังทิ้งแต่ร่างกายแต่ใจเนี่มันตายไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีป่าช้า เ, เพราะนั้นตายแล้วเกิดอีก เ, อเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ ถ้าว่าตายแล้วสูตรพวกเราคิดดสิเกิดมาวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวานแล้วเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไรเพราะวันนี้เกิดฟ้าแล้วก็เกิดมาวันเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ใช่เกิดมาวันเดียวนะเกิดชาติที่แล้วนี่ก็มีชาติก่อนก็มีหลายภพหลายชาติเป็นร้อยเป็นหมืน่นเป็นแสนชาติเกี่ยงมาถึงชาตินี้เราตถาคตเนี่ยก่อนที่จะได้มาตรรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณ เราได้สั่งสมบารมีมามากต่อมากที่ได้รับพยากรณ์ก็คือพระเจ้าชีปังกรณ์ที่พยากรณ์ว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมองดูอดีตเยาว่าบปุบเพยนวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้จากนั้นพอถึงเชี่ยงคืนท่านก็ดูอีกว่าจุตูปปาตยานการคุตติของคู่คนของสัพจัตทั้งหลายคนคนนี้มาเกิด มาด้วยบุญด้วยกรรมอะไรทำกรรมทำบุญอะไรเอาไว้ทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาเกิดนี่แต่เกิดในในท้องพ่อในท้องแม่คนเดียวกันแต่คนหนึ่งทำไมโง่คนหนึ่งทำไมฉลาดคนหนึ่งทำไมเออรวยคนหนึ่งทำไมจนคนหนึ่งหูหนวกตาบอดเออมันแปลกแตกต่างกันทั้งที่เกิดมาในแม่คนเดียวกันทำไมมันเกิดมาต่างกันเพราะพระพรองค์บอกว่า กรรมเพราะการกระทําคนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะกรรมอดีตเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเรา พ, พระพุทธองค์จึงสอนว่ากรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นขอให้พวกเราลูกศิษย์ลูกหาคณะสัทธาญาตโยมองหลวงตาเนะ่าทุกๆคนเนะ่าให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์กว่าจาเป็น การหาเงินจำเป็นแต่เราจะไปมุ่งมั่นแต่การหาเงินอย่างเดียวนะไม่ถูกนะมันต้องหาธรรมด้วยหาธรรมคือสามหาหาหลักหาเหตุหาผลต้องไหว้พระสวดมนนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติด้วยและจะหาเงินก็หาไปด้วยไม่ใช่ว่าหาเงินเป็นเรื่องใหญ่หาเงินได้แล้วก็พอไม่ใช่นะเมื่อหาเงินได้หาเงินไปเพื่ออะไรหาเงินมาก็เพื่อซื้อ บริการร่างกายปัจจัยสปัจจัยสีก็คืออะไรคือคืออาหารซื้อยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บซื้อที่อยู่อาศัยซื้อผ้านุ่งห่มอันนี้คือเงินนะแต่ถึงจะเลี้ยงร่างกายขนาดไหนก็เลี้ยงเลี้ยงร่างกายนี่ไม่มีใครที่จะหนุ่มน้อยไปข้างหน้านะและไม่มีใครที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอย่างหลวงพ่ออินนี่ก็เถอะนะแต่หลวงพ่ออินไม่คิดว่าตัวเองจะหนุ่มไปข้างหน้านะ นี่จะแก่แก่เท่าชลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เท่าไรหร่6บปีแล้วนะลูกหลานนะจะอยู่นานแต่สักเท่าไหร่อพ่าะนั้นเราต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นคุณงามความดีและบุญกุศลของเราเพียงพอหรือยังเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเพียงพอหรือยัง อันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องถามตนเองอยู่เสมอถ้าเท่าพวกเราเอ่ยพอแล้วข้าเป็นพระหรหันต์แล้วหมดแล้วจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนั้นเราจะอยู่ยังไงก็ได้แต่ท่านก็อยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกันนะท่านพระเป็นท่านเป็นพระหรหันต์แล้วท่านยิ่งรู้รอบขอบชิดทั้ง อ, อยู่ด้วยความระเบียงระวังอย่างองหลวงตาเห็นไหมถึงจะท่านจะเท่าแก่ฉราขนาดไหนก็ตามท่านพร้อมอยู่เสมอท่านไม่เคยขี้เกียจขี้ค้าน ท่านพร้อมแต่พวกเราเนี่กิเลสพาไปกิเลสพาอยู่กิเลสพาหลับพานอนก็เลยไปทางไปทางขี้เกียจมักง่ายไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะการศรัทธาญาติโยมนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะเพราะเหตุหไรทุวกวันนี้พวกเราคิดดูสิว่าเราหลงหลงอะไรเราหลงกาย หลงร่างกายพอหลงร่างกายในการหลงร่างกายคนอื่นแล้วก็หลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงกันหลงทองหลงที่พักพายอาศัยหลงไปหมดถ้ามันตุนสรุปแล้วคือคือหลงกายถ้าเรามาพิจารณาร่างกายเราติสิทธิ์ร่างกายสังขารของเราเนี่ยร่างกายตั้งแต่หัวจังแต่ศตรีรษะจุดเท้านี่เราจะอยู่นานจักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่งนะร่างกายไนมะ่จะต้องแตกจะต้องตายสลาย ลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเงินคำทรัพสมบัติละ่ะเลือกสวนไร่นาละ่ะญาติพี่น้องเพื่อนถูงสามีภรรยาลูกหลานนะจะเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายแท้ๆของเราเอาออกมาจากท้องแม่ททแท้ๆก็ยังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องทิ้งร่างกายอันนี้ จะต้องเอาไปเผาไฟถึงกระดูกก็ยังไม่ใช่ของเราจะได้นามธรรมคือใจใจดวงนั้นน่ะเนี่ยจะต้องออกจากร่างไปถึงไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆ่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะเอี่ยจะว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละคือใจนี่คือตัวนามธรรมเนี่ย ตัวนี้นะพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปพ้นค้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพเมื่อ 2,500 กว่าปีที่เด้ฟันได้ตัดสรู้ธรรมพระองค์ทำอย่างไงพระองค์ได้ตัดสรู้ธรรมในวันนั้นนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก จากนั้นพระไทย ใ, ใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจึงระลึกชาติวนหลังได้เนี่ยแหะจิตใจรวมเออจึงจะรู้ได้นะแต่ว่าจิตใจเราไม่สงบเนี่ยเราจับไม่ได้ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเถิอหรือตายแล้วสูนให้นั่งภาวนาเนอะให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบ เมื่อใจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วใจกับกายกายกับใจเราจะรู้ได้ใจเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับโซเฟอร์รถร่างกายเหมือนกับรถโซเฟอร์รถกับรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่ารถคันนั้นจะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอร์เป็นคนขับไปนี้ก็เหมือนกันร่างกายกับใจใจเนี่ยคือเป็นอยู่ข้างใน ไม่มีใครเห็นว่านามธรรมแต่ใจเนี่ยเป็นผู้สั่งการให้พูดอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ใจมันอยู่ที่ไหนใจอยู่ในร่างกายทั้งหมดมีความรู้สึกในร่างกายในหลักคือใจแต่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าใจอยู่ที่สมองที่หัวที่สมองเป็นผู้สั่งการสั่งนานอันนั้นก็ใช่แต่ว่าก่อนที่สมองจะสั่งนั้นอ่ะมันต้องมีนามธรรมเข้ามาใช้สมองอีกที่นึง เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกับรถของเราเนะี่ยทุกวันนะั้นมันมีรถทัด ร, รถที่ราคาแพงๆเนอที่ราคาสูงๆที่ราคาแพงๆรถเนะ่มันมี ม, มันมันมีสมองกลในรถนะพอเราจะตัดเครื่องตึ๊ขึ้นมานะเนเ่มันจะบอกเลยเลยน้ำมันอยู่ในถังมีเท่าไหร่ตาซ้ายตาขวาเป็นยังไงล้อท้ายล้อขวาเป็นยังไงเอมันจะบอกหมดเลยเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะบอกหมด เมื่อติดเครื่องขึ้นมานี้ก็เหมือนกันนะ่ะร่างกายของเราเมื่อตื่นนอนขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าเราเป็นยังไง เ, เราจะพูดอะไรเราจะไปที่ไหนจะคิดเรื่องอะไรคือมันตัวนมามธรรมตัวนั้นไปสั่งสมองให้ทำอ่นี่แหละถ้าว่าสมองมันลวนน่ะมันเป็นยังไงมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะ สมองมันรวนคือไหนพวกกินเหล้าพวกที่เป็นบ้าอันนั้นแปลว่าสมองมันรวนมันคิดไม่ออกมันก็มีสมองเหมือนกันแต่มันปั่นปวนอันนี้แหละนี่แหละคือพวกเราท่านทั้งหลายให้ให้ดูให้รู้ว่าตัวนัตว้ตัวนามธรรมตัวนั้นแหละสําคัญในหลักของคุรุศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่พวกเราหลงนหลงอะไรอย่างองค์หลวงตาพูดที่หลวงพ่อได้ยินก่อนที่หลวงพ่อจะลงมาหลวงตาบอกว่าให้พิจารณาเกสาผมโลมาผล น, นาคาเล็บพันตาฟันตะโจหนังในร่างกายของเรามันหลงมันหลงร่างกายมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอย่างพวกเราสวด ากายยาคตาชติเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละพวกเราโดยหลงร่างกายแต่ร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่งนะต้องทิ้งแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะอยาหลงนะจากนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายแล้วต่างกายยังไม่ใช่ตัวตนแล้วร่างกายอื่นสิ่งอื่นลนะ่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรคือมาพิจารณาถึงใจอีกหนึ่งมาดูใจของเราใจทําไมจึงหลงจึงหลงร่างกายแล้วทําไมจึงหลงใจ ใจของเราคนเนี่ย νε. นึกคิดนึกคิดเรื่องนั้นนึกคิดเรื่อง น, นี้คิดเรื่งนั้ น, น, นคิดเรื่องนี้เพราะนสุดใจของเราก็เป็นอนิจจังเหมือนกันอ่าใจของเราเป็นอนิจจังพุกขังอนัตตาเหมือนกันใจของเราก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอีกเหมือนกันนี่แหละการภาวนานไม่ใช่แต่วางตากายเท่านั้นวางกระทั่งใจนะอถ้ารู้เข้ารู้ทันวางใจแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นใจนิปิทาคือความเบื่อหน่ายคลาย ใจของเรากระลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราวางที่ใจแล้วอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเราเรียนหนังสืออย่างนั้นอ่ะเมื่อเราแต่ก่อนเราไม่รู้แต่พอเรารู้แล้วความไม่รู้ความโง่ก็ตกไปความฉลาดก็ขึ้นมาแทนนี้ก็เหมือนกันอ่ะเมื่อเราเอภิชาคือตัวไม่รู้ยังไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราปล่อยวางที่ใจของเรา ตัววิชาคือตัวรู้ตัวรู้เห็นตามความเป็นจริงมันปล่อยวางทั้งหมดนั่นแหละความสุขในการพิจารณาในการปล่อยวางมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเพราะนั้นมรรคผลที่พ่านพวกเราไม่ต้องหาที่ไหนองค์งตาท่านบอกอย่างนั้นนะหาที่ใจเนี่ยหาที่ใจเนี่ยนิพพานไม่อยู่ที่ไหนตัวรู้นะ่ะตัวใจนะั่นแหละเป็นจะเป็นผู้พิจารณาปล่อยวางที่ใจ มรคลที่มรคนิพพานก็เกิดที่นั่นนิพพานางปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานางปรามังสูนย่างนิพพานศูนย์อะไรนะครับว่าศูนยศูนไรศูนย์เชื้อที่จะทําให้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดนะั้หมดแล้วหัวใจหมดเชื้อนะเหมือนกับมเมล็กข้าวมันทำไมจะมาเกิดได้เพราะมันมีเชื้อมันมีเปลือกนะถ้าเรากระเทาะเปลือกมันออกซนะ แล้วจากนั้นเอามานึ่งอีกต่างหากแล้วเอาเข้าวสารเม็ดนั้นะไปปูที่มันจะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้าวสารเม็ดนั้นมันสุกแล้วมันไม่มีเชื้อแล้วอันนี้ผ็เหมือนกันใจของเราถ้าใช้แต่ประธรรมคือสิ่งสมาธิปัญญามัดแปดกนันนะเป็นเครื่องเผากิเลสภายในใจของเราเมื่อเผากิเลสภายในใจของเราใจของเราหมดเชื้อ ที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราภโลภโกรทหลงหมดออกไปจากใจแล้วใจของเราก็บริสุทธิ์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเรียกว่าหมดเชื้อนิพพานังปรามังสุญอย่างนิพพานสุญเชื้อที่จะพาให้เกิดนั่นเรากําจัดออกหมดแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์นิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรมาลบปวนไม่มีอะไรที่จะมานําจิตใจดวงนั้นอีก นี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราให้ปฏิบัติเน้อพันธสัญญาญาติโยมลูกห ล, ลานทุกคนเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้แล้วก็พวกเราเมื่อมีอายุขึ้นมาระดับหนึ่งก็อย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวจนเกินไปถ้ามันจะร ว, วยมันก็รวยมาตั้งแต่นานแล้วละ่ะ มาถึงปูนี้แล้วควรจะหันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมหาคุณงามความดีควรจะรักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาหาหนทางให้แก่ตัวเองพวกเราจะอยู่นานไปจักเท่าไหร่ไม่ได้ว่านอายุขนาดนั้นอายุขนาดนี้ปีนั้นปีนี้จะต้องตายไม่ใช่อย่างนั้นพร้อมที่จะตายทุกได้ทุกเวลาเวลาหายใจไม่เข้าก่วยใหายใจไม่ออกป่วยใ อย่างที่พวกเราได้ยินเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เลือกหลวงปู่ฉนองวัดสังฆท า, านก็ทราบข่าวว่าท่านมรรณภาพแล้วเมื่อวานนีแต่เวลาไปรับนิมนต์นะหลวงพ่อยังนั่งเหนือหลวงพ่อสนองนะแสดงว่าหลวงพ่อสนองยังอ่อนกว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อน่สมควรแล้วงั้นแต่แต่หลวงพ่อสนองก็ยังตายหลวงพ่ออินตายไม่เป็นเลยหลวงพ่อวาน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านหลงพ่อเนี่ยระลึกถึงความตายอยู่สม่ําเสมอเหมือนกันนะไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพิมพ์เป็นหนังสือว่าต่อตๆอต่อต่อต่เตรียมตัวตายฮเตรียมไว้อยู่เสมออหายใจไม่หายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ตายได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอานุนท่านระลึกถึงความตายบรรเล็กขีพัง พระอานุ์ตอบกล่าบคูลพระพุธทธเจ้าว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าขา่าเอออานุ์เธอร ะ, ะลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งเนี่ยยังประมาทอยู่นหนควรจะกําหนดควรจะพิจารณาควรจะรำลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าพุกลมหายใจออกนั่นแหละจึงเป็นผู้ไม่ประมาทนะบอกเราคิดดูสิวันหนึ่งเราเนีึกถึงความตายกี่ครั้งพวกเราท่านทั้งหลาย ขนาดพระอานุน ล, ลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งพราพูดเจ้ายัางว่าประมาทอยู่นะเดังนั้นถ้าเราลำลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอเสมอเอ๊ะหลวงพ่อถ้าลึกถึงความตายมันจิตใจของเราจะไม่หดหูเหรือไม่เหี่ยวแห้งหรือไม่ใช่นะถ้าหากว่าเราลำลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอเราจะวางแผนของเราถูกนะเราจะโกรธ ใ, ใครก็ไม่เลยจะโกรธไปอะไรมากมายนะะักหรื ถ้าจะเราจะรักใครก็ไม่รู้จะรักอะไรมากมายนักหนาอีกสักวันหนึ่งเราก็จะหนีจากการอยู่แล้วนะแต่หาว่าคนไม่ระลึกถึงความตายนะถ้ารักกับใครเนี่ยรักถ้าโกรธให้ใครโกรธจะจะฆ่าเขาทิ้งอนะ่ะเอแต่ตามจริงไม่คิดว่าตัวเองจะตายเอถ้าว่าคิดตัวเองจะตายอยู่แล้วนั่นแหละโกรธก็ใครก็ไม่โกรธมากโลภ ก, ก็ไม่โลภมากหลงก็ไม่หลงมากเอมันจะพอดีพอดีเพราะมันระลึกถึงความตายวิอยู่สมมุติอีกสักวันนึงแหะ ข้าก็จะทิ้งอยู่แล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกอว่าใช่หละจีหลวงพ่ออินเนี่ยไม่มีอะไรโตตัวคนเดียวลูกศิษย์ก็มาอาศัยก็ใช่ลูกศิษย์ลูกหาแตวัดวาศาสนาก็ใช่ไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อเองแต่เราในสิต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเ ล, เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวและจะปล่อยวางอย่างหลวงพระจะทําอย่างพระได้หรือพระก็พูดได้สิให้ปล่อยให้วาง แต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อผิวเนี่ก็เถอบนะศรัทธาญาติโยมเข้ามาก็ต้องดูก็จะต้องแกลจะต้องกินยังไงนอนยังไงพักพาอาศัยยังไงต้องโอภาปาศัยจะต้องดูที่ที่ผู้มาเกี่ยวข้องนะจากนั้นก็สร้างสุสีสร้างสร้างหลังสรตาราให้หลวงพ่อเองก็เหมือนกันหลวงพ่อจะต้องรับผิดชอบทุกคู่ทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องลูกศิษย์ลูกหาอย่างลุกพระในวัดของหลวงพ่อเนี่ยปีนี้ทั้งสี่สิบสองค์หลวงพ่อจะต้อง เลี้ยงดูเก็บไข้ได้ป่วยยังไงอยู่ชั้นยังไงที่พักพ้าอาศัยอย่างไรมีความทุกข์ยากลาบากทางด้านจิตใจอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากเป็นไข้เป็น อ, อยังไงหลวงพ่อจะต้องดูแต่ถึงยังหลวงพ่อดูให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนก็เถอะนะแต่หลวงพ่อเวลานั่งภาวนาหลวงพ่อนั่งหลับตาเนะี่ยหลวงพ่ออินเอ้ยถึงหลวงพ่ออินจะรับผิดชอบขนาดไหนก็เถอะนะ อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดขนากระดูกร้องพ่ออินนกพ่ออินยังเอาไปด้วยเบ็ดาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเรื่องวัดวาศาสนาอย่าไปคิดเรื่องผู้อื่นให้ดูตัวเองให้ดูตัวเองให้ดูใจตัวเองให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะหลวงพ่ออินนะนี่แหละเวลาเรานั่งพานาจะตามลําพังแล้วต้องคิดอย่างนั้นเป็นภาษาใจของเราเราจะไปแบกบอยู่ทั้งวี่ทั้งวัน นอนจะเกิเป็นทุกข์เรื่องต่างๆไม่ใช่แหละเพราะพอนอนมาโยนทิ้งเลยอขนาดตัวของเรา แ, แท้ร่างกายของเรา แ, แท้ยังไม่ใช่ของเราส่วนอย่างอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละอันนี้คือภาษาใจของเราเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางที่ใจของเรานะอไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยวางข้างนอกนะะปตัววางข้างนอกคล้ายๆเข า, ขาไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้ดูแลใคร ไม่ได้รับผิดชอบกับใครใครจะมาก็ i d เชยอย่างนัน้นนั้นไม่ไดใ้ในเมื่อเราอยู่กับโลกสมมุติเราก็ต้องทําให้ ถ, ถูกต้องกับโลกสมมตุติอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่องเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายโอ้หลวงพ่อคงจะทุกข์ยากลําบากเกี่ยวกับที่จะสร้างเจดีย์ของหลวงตาไปที่ไหนก็พูดและพูดอีกหลุงพ่อวะหลวงพ่อจะต้องพูดถแถลงข่าวหรือบอกกล่าวให้แก่พวกคณะทัฐทานญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่รักเคารพในโอหลวงตา ความเป็นมาของเจดีแต่ทำํำยังไงจะเดินไปยังไงแต่อีกสักวันถ้าหาว่ามันเป็นไปไม่ได้พูดแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่ได้ทุกใจอีกแเหมือนกันเฮ้ยคงจะไม่ใช่บุญวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างเราเจตนาดีที่จะบูชาพระคุณหลวงตาแต่คงจะไม่ในบุญบารมีของเราไม่ถึงจะแลว้วแอบให้คนอื่นทําต่อไปถ้าคนอื่นทําไม่ได้อาอจะทํำยังไงไดเ้เพราะมีใครทําแล้วกระจกนัน่นแหละ เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราจะแบกให้ทุก อ, อกทุกใจไม่ใชเ่เราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเหมือนกันขนาดลงตาท่านเลยบอกอย่ายุ่งนะักกับเจดีย์อย่าไปยุ้งกับเรื่องของเรานะท่านก็ยังสั่งไว้อันนั้นเป็นคําสั่งของท่านแต่ว่าเราในฐานะศิษย์ญาติพี่น้อเราควรจะคิดจะทํายังไงให้ดีที่สุดสําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจะเทิดทูนบูชา ย, ยังไง กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะต้องช่วยกันเทิดทูนบูชาถ้าไม่พวกเราศิษยานุศิษย์ไม่เทิดชูบูชาแล้วใครจะมาเทิดชูบูชาแทนพวกเรา mm hmm. มีแต่เขาอยากจะเห็นความจีบหายของพวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพณะสถานญาจงทุกหมุมทุกเรานีวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดมากหลากหลายหลายอย่างหลายแนวสําหรับพวกเราให้ศึกษาและนําไปคิด การกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลนะ ห, หลวงพ่อย้ําอีกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีอกักกตังทุ ก, กตังเสยโยปัดข้าตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทาเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทําแล้วนะกรรมชั่วน่าจะตามนะ จะตามจะตามเราเมื่อเราทํากรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีก็จะตามเราคิดไม่ดีก็จะตามเราพูดไม่ดีก็จะตามเราถ้าเราพูดดีบุญกุศลก็ตามเราถ้าพูดไม่ดีบาปอกุศลก็ตามเราเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดแต่สิ่งที่ดีคิดดีทําดีพูดดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีแล้วบุญกุศลจะติดตามพูดที่คิดดีทําดีจนถึงที่สุด พ้นทุกในวัฏฏะสงสารคือพูดคิดดีทําดีพูดดีถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วมีแต่ตกทางต่ำํำตกนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตว์ที่เลี้ยชานไปเกิดเป็นเปรตหมามากตัวมากแล้วคนที่คิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะพร ะ, ะนครายพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วขอขอให้พวกเรา ประกอบแต่คุณงามความดีสั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะมีแต่ความสุขความสมหวังนะวันนี้ก็เป็นการทําบุญลําลึกถึงอุทิศส่วนกุศลที่พระอาจารย์ปิวท่านปาลารถถึงโยงมบรรดาของท่านที่ท่านมรณภาพไปแต่โยมบรรดาของท่านก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเคยไปวัดหลวงพ่ออยู่นะอาจารย์ปิวท่าไปตรงพอกมาเห็นที่วัดป่าปัญชะหลวงพ่อก็เห็นท่าน อายุท่านก็มากแล้วก็โรงรยไปตามอายุสังขารเมื่อท่านห่วงลับไปแล้วเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาจะต้องทำบุญบุญิดวนกุศลให้อย่างองหลวงตาท่านเป็นตัวอย่างโยมบรรดาของท่านมรณะภาควันที่30พุทธภาคมท่านจะยังทําบุญบุญทิศส่วนกุศลให้อย่างโยมบรรดาของพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเกิดมาได้เจวันป ร, ประสูติได้เจ็ดวันโยม พระมารดาของพระพุทธเจ้าก็สวรรคตจากนั้นก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านเออโยมบรรดาของเราไปอยู่ที่ไหนท่านก็เห็นด้วยคลิ ป, ประจักสุญาณของพระองค์เออเราควรจะขึ้นไปโปรดพระมารดาของเราจากนั้นพระองค์ก็ ได้ขึ้นไปโปรดในพรรษาหนึ่งอพระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เทวบุตรเทวดาเทวบุตรที่เป็นโยมมารดาของพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตนะก็ลงมาฟังพระธรรมเทศนาอยู่ชั้นดาวดึงคือชั้นดุสิตเหนือสูงกว่าสูงกว่าชั้นดาวดึงแต่พระพุทธองค์ขึ้นไปชั้นดาวดึงคือชั้นพระอินทร์คือชั้นพระอินทร์เทวบุตร ที่เป็นโยมมรนดาของพระพุทธเจ้าลงมาฟังธรรมเทศนาะอยู่ที่ชั้นดาวดึงจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้แสดงธรรมถึงสามเดือนอยู่ที่นั่นสามเดือนใครเว้ า, าเวลาพระองค์ออกมาบินทบาทฉันอยู่ที่ทวีปเพราในโลกเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามีอยู่สี่ทวีปนะสีทวีปทวีปใหญ่นะแต่ถุงองเราเนึ่งชัวว่ว ชุมพูทวีปอุดรภูลุทวีปเอออะไรเนี่ยหลวงพ่อก็จำไม่ได้เป็นทวีปสี่เทพโอค์ก็เวลาฉันก็ไปบินทบาทฉันพอฉันขึ้นแล้วก็ขณะที่ไปบิณทบาทฉันพระองค์ก็นิลมิตรพระพุทธโลกเนี่ยเทวดาไม่รู้หรอกเออว่าเป็นพระพุทธเจ้าเทศแต่พระโอค์ก็เทศอย่นั้นเป็นพระพุทธรลกเทศเออสามเดือนไปว่าไม่หยุดแต่สามเดือนที่พระพุทธเจ้าไปเทศนี่นคืออะไร พระองค์แสดงเรื่องพระอภิธรรมนะพระอภิธรรมโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์พระวิธากุชลาธรรมมาอากุชลาธรรมมาอัปยากตาธรรมมากุชลาจิตที่เป็นกุศลอกมมุชลาธรรมมาจิตที่เป็นอากุศลอัปยากตาธรรมมาจิตที่เป็นเป็นกลางกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเรียกว่าอัปยากตาจิตเนะนี่ยแหละพระพุทธองค์อธิบายได้ถึง จิตคิดอย่างนั้นเป็นบาปจิตคิดอย่างนี้เป็นบุญจิตที่นี้เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลถ้าจิตเป็นอย่างนี้จะต้องไปเกิดเป็นพรหมเป็นเป็นสุสวรรค์พระองค์ก็อธิบายเรื่องจิตเลยทีนี้เพราะเทวดาไม่มีกายเลยเป็นกายทิพย์นะนี่มีแต่เรื่องจิตนึกคิดพระองค์ก็ได้อธิบายเรื่องนามธรรมเรื่องจิตความนึกคิดโปรดพมารดาถึงสมเดือนเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมวครู ถึงท่านจะได้ตัดรตรสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ยังไม่ลืมพระมารดาของพระองค์ท่านต่นี้พระบิดาทํำยังไงพระบิดาของท่านพระเจ้าจุโถทนานะพระบิดาพอท่านมาโปรดท่านจะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านกับมาโปรดพระบิดาอยู่ที่กรุงกระบินพัตพอมาถึงวันนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายหลายร้อยหลายพันองคนะ์ พอเข้ามาพระเจ้าจุดโทธนะกับคนทั้งหลายกขามามากราบมาไม่ใช่มากราบนะมาถึงมาพระเจ้าพระเจ้าคล้ยๆว่าจะเสด็จเข้าเมืองกรุงกับินภัทรเนี่ยกัมีการแห่แหนนักสนะอย่างนั้นเน่ยพอออกพระเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วเนีตนตระกูลพวกมีพระญาติพระวงเข้ามาแต่นี่พอมาถึงเนี่ยคนถามเป็นไงท่านเสถ่าสบายดีเลย คล้ายๆกับถือว่าเป็นวิสาสะอย่างนั้นแหะผู้ที่จะแสดงความเคารพหรือไม่มีเพราะว่าเขาคำว่าทำคือว่าตัดรู้ธรรมเขาไม่รู้มีแต่ว่าโอ้เป็นไงหลานศิทธะลูกศิทธะลุงศิทธะปู่ย่าตายายศิทธะสบายดีหรือลักษณะอย่างนั้นทัดท า, ายแต่พระองค์บอกอถ้าเราจะแสดงธรรมพวกคนนี้คงไม่ฟังแน่ เพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติสอนยากนะั่งญาตนะิเองนะแอ่พ่อเขาถือวิาสาสะเขาเห็นเราจะเกิดนะเนี่อพวกผู้ใหญ่เขาเคเห็นเราขณะเกิดขึ้นมาเป็นยังไงแจะให้เขากลับเขาไหวยนะ่ะเขาทําไม่ได้ เ, เนี่ยพระองค์ก็แสดงอิติริศเลยนะเอแสดงอิติริศให้ให้ฝนโบกกระพัดตกลงมาจากอากาศตกลงมาเป็นสีน้ำครั่งเอสีแดงฝนตกลงมาใครจะให้เปียกเขาเปียกไม่ให้ใครไม่อยากให้เปียก ก็ไม่เปียกไงฝนะนั่นก็แปลกอีกเหมือนกันทนเะ่ยเป็นที่อัศจรรย์ของคนทั้งหลายอย่างมากเลยไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้มาก่อนจากนั้นเขาจึงโอโ้โหพรธเจ้าศิท ธ, ธิฐานไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นเขาจึงได้กราวสิลสลโลลาไปยอมพระองค์จึงได้เทศนาให้ฟังนั่นแนหะเทศโปรดญาติโปรดญาติไม่ใช่ธรรมดานะ อ, อไม่ใช่ว่าจะพูดให้ฟังง่ายๆนะญาตินะไม่ลง ง, ง่ายๆนะ พรวกไทยเจ้าขนาดเป็นพระผู้ทยเจ้าแท้แท้ท่านจะโปรดญาติท่านก็ยังไม่ได้โปรดง่ายๆต้องได้แสดงอิทธิฤทธิก่อนอย่างนั้นพระญาติพระยมทั้งหลายก็ยอมรับพระองค์กรเทศให้ฟังจากนั้นพระพเจ้าสุโทธทนะก็ได้สําเร็จพระสุดารันในวันนั้นพอสุรารันเสร็จแล้วเขาก็มาดินมวนพระผู้ไทยเจ้าอเออวันพุ่งพุ่งขึ้นขอนมวนไปฉันในวงังเนอท่านลูกหนะ้าจิต ท, ทะกับบริวารครับพระสงฆ์ทั้งหลาย ขอนมนไปฉันในเวียงในวังเน้อถ้าเจ้าจุดโธธนะกับมันเด็กในมนพอขุ่งในเช้าพอองค์กับพร้อมกับพระสงฆ์กับอุ้มบาตรเลยก็เดินบินทบาทอนาเข้าไปในกรุงกับบินลพัดเลยทนะ่านโอโ้โหเสมัยนั้นคนขอทานใช่ไ้มล่ะเขาก็ถือโอโ้โหพ่อเนะี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนเลยทนะ่ีนออกมาจากเวียงวงังโอ้ทอําไมเออพระสงฆ์ขนาดนี้ พ่อเลี้ยงได้นะลูกนะทําไมขายหน้าพ่อเ อ, อทําไมไปหาขอทานเลี้ยงชีพทำอย่างนี้มาขายหน้าพ่อชัดๆเลยนะพระเจ้าจุโธธนะนะเสียพระไทยที่ลูกชายมาอยู่กลับมาถึงบ้านแล้วมาอุ้มบาศขออาหารจากชาวบ้านเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้คือเป็นพุทธประเพณีเพราะพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ต้องบินทบาทเลี้ยงชีพเ อ, อจะไม่ได้ ไปฉันที่ใดที่หนึ่งเว้นเสียแต่มีผู้นิมตถ้ามีผู้นิมนตก็เอาไปฉันถ้ามไม่มีใครนิมนตก็เนะี่ยบินเทบ่าตามถนนตามาหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้คือเป็นพุทธประเพณีพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกตอพระบิดาจากนั้นพระบิดาก็ทูลเชิญเข้าไปฉันในเวียงวังพร้อมกับพระสงฆ์จากนั้นพอก็ได้เอา น้องชายออกมาบวชอีกท่านหนึ่งคือพระนันทะต่อมาก็เอาลูกชายพลาหงษ์บวชเป็นเนนอีกอจากนั้นก่อนโปรดพระเจ้าจุโทธทนะได้สำเร็จพระอนาคามีเทศให้พระบิดาได้สำเร็จพระอนาคามีต่อมาพระบิดาก็ป่วยหนักเลยเนี่ยก่อนจะละสังขารก่อนจะจะสวรรนนคตพระพุทธเจ้ากับพระอ น, นุ์ พระราหุลเข้าไปโปรด ถ, ถึงที่นอนเลยไปโปรดพระบิดาไปเทศให้ฟังพระบิดาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่นอนอยู่ในที่นอนนี่แหละพระพุทธเจา้าท่านไม่ได้นิ่งดูดายนะถึงท่านจะเป็นพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่ได้ดูดายบิดามารดาของพระองค์โยมบันดาของท่านอยู่บนสชั้วท่านจะขึ้นไปโปรดยอมบิดาของท่านอยู่ในเวียงในวงังพระอุณภพกุรองก็เข้าไปโปรด ถ, ถึงเวียงวงัง แปลโปรตพระบิดาจนได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พระเจ้าจุโถธนนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ไม่ใช่สวรรค์กตธรรมดานพระเจ้าจุโถทนะปริณิพานเพราะว่าท่านได้เป็นพระรหันต์แล้วที่จะเป็นโยมก็จะถ้าท่านได้เป็นพระรหันต์แล้วก็ว่าปรินิพานไปวันไปมาเกิดคําว่าปรินิพานคํานี้น่ะจะพูดกับคนทั่วไปไม่ได้นะต้องเป็นพระรหันต์เท่านั้นปรินิพานอย่างองค์หลวงตาเนี่พูดได้ว่าหลวงตาปรินิพานฮ แม่ผู้ตายพ่อหลวงตาท่านแม่ท่านเป็นพระสมบูรณ์อท่านยอมรับท่านพวกเราเห็นก็เนี่ยองหลวงตาคือพระหันในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วนะอัติธาตุและพระธาตุขององค์หลวงตาก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เห็นในว่าหลวงตารปรินิพานทนั่นสรุปแล้วก็คือในหลักของพุทธศาสนาไม่ให้ลืมพ่อไม่ให้ลืมแม่เอพระคุณเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง พ่อแม่เป็นพรมเป็นพรมของบุตรพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นในบุพการิของบุตรธิดาบางคนก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันนะเอ้หลวงพ่อที่ทำคำสอนเนี่ยบอกว่าพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรธิดาผมว่าเนี่ยชักจะเกินไปช่แล้วนะจะเปรียบเทียบพ่อแม่เหมือนพระหานเนี่ยผมว่ามันชักจะเกินไปในคำพูดนี้มันถูกต้องไหม หลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าอ้าอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะในพระไตรปิฎกนะท่านก็พูดว่าพ่อแม่เป็นพระหรหันของบุตรธิดาท่านไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหรหันของทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ของของเราเป็นพระหรหันของบุตรธิดาธิดาบุตรธิดาคืออะไรบุตรหญิงบุตรชายบุตรก็คือลูกชายธิดาก็ลูกหญิง พ่อแม่เป็นพระหันของลูกหญิงลูกชายของเขาเไม่ใช่ว่าพ่อแม่เป็นพระหันของคนในโลกไม่ใช่อันนั้นเราต้องคิดว่านะี่คือพ่อแม่เป็นพระหันของเราเพราะนั้นใครก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเหมือนกับฆ่าพระหันนะ อ, อ, อันนั้นตุริยกรรมห้าอย่างมาตุคาตฆ่ามันดาปิตุคาตฆ่าบิดาอรหันตะฆาตฆ่าพระหันโลหิตุบา ทำร้ายพระพุทธเจ้ายังพโพรหิตให้ห่อสังฆเพทยุโยงสงให้แตกกันห้าอย่างนี้บาปหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในปาราชิีกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแปลว่าโทษประหารถ้าเป็นทางโลกแปลว่าโทษประหารโทษหนักที่สุดตายไปแล้วไม่มีไม่มีคําพยากรณ์ว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ปาาตกอเวจีมหานารกซะก่อน ไฟเผาอยู่นี่เราไปจีมหานรกพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพรลโลหิตให้ห่ อ, อและก็ยุโยงสงให้แตกกันนี่แหละการยุโยงสงให้แตกกันคลมัดระวังนะคำพูดนะไปว่าองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดียุแยงเาจากนั้นก่อาทาให้พระสงฆ์ระแวงแครงใจกันโดยเจตนามไม่ดีด้วยความอิจฉาะระวังเป็นพ้นทางแห่งทางนรกได้ไง่าย เป็นพ้นทางอย่างน้อยไ่ถึงกระแตกกันก็เป็นพ้นทางแห่งทางนรกเพราะนั้นพวกเราจะพูดอะไรถ้าพูดเป็นจริงเป็นธรรมไม่ว่าตําำนิได้พุทธบริษัทสีไม่ทำนิกันใครจะมาตำนิพวกเราแต่ถ้าาำนิไม่มีเหตุไม่มีผลมนะันบาปกรรมจะเข้ามาสู่าปากของพวกเราเป็นบาปกรรมอันหนักพร้อมที่จะเป็นสังขเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นบาปเป็นกรรมนะพระทายาจโยม คนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีบาปมันมีบุญมีคุณมีโทษเอยมันอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายจะให้เป็นบุญก็ทำได้จะให้เป็นบาปก็ทำได้โลกนี้โลกหาได้คุณแม่จีแก้วท่านบอกว่าโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาจนก็ได้หารวยก็ได้หาสวรรค์นิพพานก็ได้หาอะไรหาได้ถ้าอยากจะติดคุกก็ไม่ยาก ไปคลายยาม้ากันชายยาบินเข้าไปสิตำร ว, วกเขจับโคกๆหาได้อีกอใช่เราจะหาล่าหารวยกมันขยันเขสิหาได้หาความสงบจิตสงบใจก่อนนั่งนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุโตจิตสงบได้ถ้าเราจะหามักหาผลเราก็บภาวนาปล่อยวางที่จิตที่ใจก็ถึงสวรรค์นิพพานได้เนว่าโลกในโลกหาได้เพราะนั้นพวกเราจะหาอะไรถ้าเรามีปัญญา เราก็ต้องหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราเโง่เง่าเต่าตุ่ก็หาแต่สิ่งที่มันชั่วช้าลามกเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเรามีแต่ความทุกข์หยุ่นยุ่งเห ย, ยิงวุ่นวายเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจโลกนี้โลกหาได้นะเพราะนั้นพวกเราหาแต่คุณงามความดีนะการกล่าวสมุทรนิยัสถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนไกรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขฟ้ามเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในรอบของศีลธรรมขอฝอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน